บ <Book> <12. S 3> ุ๊กทูสิบสองเครื่องดื่มเครื่องดื่มผมดื่มชาครับยช่ไรกชีผมดื่มกาแฟครับยช่ไรกะคาฟ ผมดื่มน้ำแร่ครับไจ่ดื i มกาแ d ใส่น้ำตาคุณดื่มชาใส่มะนาวไหมครับดื่มช า, าใส่น้ำตาลไหมครับ ด, รรดื่มกาแฟใส่น้ำแข็ k ไหมครับดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมครับ มีงานเลี้ยงที่นี่คนกำลังดื่มแชมเปญคนกำลังดื่มไวน์และเบียร์คณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมครับ คุณดื่มวิสกี้ไหมครับเทรกิกเกอร whisky คุณดื่มโค้กใส่เหล้ารมไหมครับเทริกเกอร์ดูร n อปแล a ผมไม่ชอบแชมเปญ e ผมไม่ชอบไวน์ ผมไม่ชอบเบียร์ยาย can ikke lide øl เด็กอ่อนชอบดื่มนม babyen kan lide mælk เด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ล barnet kan lide kakao og æblemost ผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรฟฟรุต Kvinden kan lide apelsinjuice p og grapejuice.